ท่านบุฟามทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันรอสองที่เอ็ดเป็นวันเสาร์สองตอนนี้บันทึกวันเดียวกันไล่เรียกันตอนแรกลืมบอกว่ากำลังป่วยเวลาที่บันทึกนี้วันนี้ต้องลางทองมันป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไร ต่เมื่อมันใกล้จะตายก็ตายกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีการพูดเรื่องตายรู้สึกจะเฟอ้อเป็นบรรดาญาติโยมแต่ความจริงไม่เฟอ้อความตายเป็นของจริงแก่มากก็ตายเร็วนั่นหมายความความแก่คือคนคลานเข้ามามากก้มาด้วยงความตายเดินใกล้เข้ามามันก็ไม่เป็นไร โดยก่อนจะตายถ้ามีแรงอยู่ธรรมะของพระเจ้าที่มีความเข้าใจขนาดไหนก็จะพยายามถ่า ย, ายทอดไว้แต่ว่าถ้าจะให้หมดมันค็ไม่หมดแน่เพราะความเข้าใจนี่ดึงอามาใช้ให้หมดไม่ได้แน่ในบางอย่างก็เกินวิสัยของบุคคลผู้รับฟังก็ขอพูดแต่เท่าที่มันจะพงพูดได้ <c oughs> เอามาถ่ายทอดกันไว้ ถ้าไม่เหมือนกับของใครก็ต้องขออภัยด้วยเพราะต่างคนต่างทําต่างคนต่างได้ก็รวมความว่าคําว่าได้มันหมายความว่าเป็นพระอริยเจ้าคก็หมายความต่างคนคำว่าได้ก็หมายถึงว่าได้ในความในการปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้านนั่นเองจะไปโมเมปาตานังเอาว่าคนพูดเป็นพระอริยะมันจะผิดมันจะผิดหรือไม่ผิด ก็ไม่ควรคิดไม่คิดว่าไม่ควรพูดดีกว่า <c oughs> เรามาปฏิบัติตามท่านจะเป็นอะไรหรือไม่นั่นอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจกับการบรรลุนั่นบรรลุนี่มันจะเป็นมาณะกิเลสกิเลสตัวนี้จะทําให้พวกเราพังโลงบายภูมิก็เป็นว่าตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องอารมณ์เพระอนาคามี เรื่องนะ ง, งับเปียวร์เหน็นจะไม่ต้องบอกกันนะถก็คนพูดเ <c oughs> ว่าคนฟังมีฐานะไม่เสมอกันมีกําลังใจไม่เท่ากันนี่วร์ห้าคือความรักกันระหว่างเพศแล้วก็ความโกรธความง่วงวุ่นวายอารมณ์สงสัยอย่าให้มีในใจถ้าอยากฟังละเอียดถอยหลังไปฟังอนุสติ ตอนนี้ไปก็เริ่มจับลมให้ใจเขาออกให้ใจเข้าให้ใจออกรู้ตามที่ฝึกมาแล้ว <c oughs> ยายพูดมันจะช้าสิ่งที่ต้องทำเวลานี้อนาคามีที่สำคัญก็คือพรมิหารสี่อันนี้ต้องยกพรมิหารสี่ขึ้นมาเป็นพื้นฐานเป็นฐาน วงร่วกายยกตานุปฏิกรสุภกรรมฐานต้องสองอย่างนี้เป็นฌาน้าอย่างนี้ไม่ถึงไม่ถึงฌานสีไ่ไม่ไม่ไม่มีหวังในความเป็นพระอนาคามีเนียกว่าการตําแนวของธําราณ์นะตาแนวของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งต่างหากถ้าตามแนวของปฏิบัติจริงๆเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วเขาไม่เข้าอนาคามีกัน เขาจับอารมณ์พรหันต์เลยอารมณ์พระอหันต์เขาจับตัวท้ายคือตัดอวิชชาตัดความรู้สึกพอใจในมนุษยโลกเทวโลกกับพุทธโลกที่มีความรู้สึกว่นุษยโลกดีพรทธโลกดีเทวโลกดีไม่มีเขาต้องการนิพพานตรงแล้วหันก็ไปตัดโลภะโทสะโมหะเขาล่ากันย่อๆแบบนี้นะ เมื่อนั้นแล้วก็เห็นร่างกายแล้วเอาจิตเข้าไปวางเฉยในร่างกายในวัฏฏกทุกอย่างแกเพิ่มพูดเลยนีบวาเขาเคืองเขาทาถึงปัโสดาบันแล้วเขาเข้าอย่างนี้เขาไม่เข้าอนณาคามีกันแน่รมของคนก็ไม่เท่ากันกำลังวัสนาบารมีไม่เท่ากันถ้าไปพูดแบบนั้นคนที่กำลังใจไม่ถึง บารมีกําลังใจเต็มถ้าคนที่กําลังใจเต็มไม่ครบบารสนาบารมีไปถึงอรหันต์ก็ยุ่งอันนี้ทั้งหมดว่าตามตําราตาวิสุทธิมัตตก็หันมาจากอรมณ์พระนาคามีอันดับแรกพอมีหันสี่พอมีหันสี่นี่ต้องเป็นฌานแต่พอมิหันสี่ว่ากี่ผู้มาต้องเป็นฌานสี ถ้าไปอารมณ์คิดเป็นชาญสีไม่ได้แต่เป็นชาญหนึ่งได้แต่มีรมณ์ทรงตัวคือมีพรเมืองสีเกาะใจเต็มอัตรา <c oughs> ตัดความโกรธความยาบาตออกไปนี่ความจริงก็จะข้ามตัวนิดไม่เป็นไรนะตัดความโกรธความยาบาตออกไปเสีย มีแต่รมความรักความสงสารความหวังดีและก็เฉยในเมื่อเกินวิสัยอารมณ์ต่างๆอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมดาจำไม่ดีว่านัตติโลเก อ, อนินิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกข้อนี้เป็นข้อที่สาคัญที่สุด คนจะตกในสภาพของความโกรธได้ก็เพราะถ้อยคำของคนอื่นในเมื่อคนอื่นเขาดินทาว่าร้ายเขาเสียดสีเขาด่าเราไม่ชอบใจแล้วก็โกรธตอนนี้ถ้าอารมณ์ของว่านาคามีเห็นเขาเสียดสีเขาด่าเขาดินทาเขาว่าร้าย แทนที่จะโกรธจะถ้ามีเมตตาอยู่แล้วเมตตาความรักก็ไม่โกรธในคนรักแถมกลับสงสารสงสารพ่ออะไรเพราะว่าคนยิ่งมีจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาก <c oughs> ไปด่าเข้าไปนินทาเข้าไอ้ผลร้ายมันก็สะท้อนกลับไปหาคนด่าคนนินทาหนัก <c oughs> ก็มีความสงสารคิดว่าคนนี้มียิตวุ่นวาย มีความหลงผิดเพราะถ้อยคำของคนจะทำให้คนอื่นเป็นไปตามถ้อยคำของเรามันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะแช่งเขาตายเขาก็ไม่ยอมตายจะด่าเขาเป็นสัตว์เราก็ไม่ก็เขาก็ไม่ยอมเป็นสัตว์จะแช่งให้เขาป่วยไข้ไม่สบายเขาก็ไม่ป่วยไข้ไม่สบายในเมื่อเป็นไปไม่ได้ตามนั้นอารมณ์คลุ้มมันก็เกิด มันก็กลุ้มมากกลุ้มมากนะเข้ามีแต่ความเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งคิดประทุษรายเขาแบบไหนก็ตามคนถูกที่คนที่ถูกเราคิดประทุสรายเขายังไม่มีอะไรเขายังกินได้นอนหลับตามปกติแต่คนคิดในเมื่อมีความคิดยังไม่สมหวังก็วางแผนเรื่อยๆไป กินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือโรคประสาทติดตามมาเมื่อโรคประสาทเข้ามาถึงเป็นอะไรบ้างเริ่มเป็นคนบ้าป <c oughs> กติความบ้าก็มีอยู่แล้วเพิ่มความบ้ามาอีกเพราะความโกรธคนมีอารมณ์โกรธก็เหมือนคนบ้า สิ่งไรที่ไม่น่าจะทำบาดเจาียาบใครไม่น่าจะทอาการหยาบใครไม่น่าแสดงออกก็แสดงออกก็เป็นความบ้าที่รักษาได้ยากหมอแผนบราณก็ดีหมอแผนปัจจุบันก็ดีไม่มีความสามารถรักษาโรคนี้ได้ฉะนั้นขอท่านหลายจนละความบ้าหันก็มาจากความดีที่เมรุมเยือกเย็น <c oughs> คือตั้งเมตตาเป็นที่ตั้งคุณาความสงสารมุตตาจิตอ่อนโยนยอมรับน้ำเือความดียินดีด้วยอเุเบขาสิ่งใดถ้าเกินวิสัยเขาดา่าเขาว่ามาไม่ชอบใจเราก็วางเฉยก็คิดว่าเราจงอย่าต่อต้านคนบ้าต้องคิดเหมือนมที่พระพุทธเจ้าจ่างคิด ถ้ามีพรามสี่คนมาดา่าไม่ใช่เวลาเดียวกันเพื่อนด่าแล้วเพื่อนอีกเพื่อนอีกสามคนก็มาดา่าด่าเหมือนกันเมื่อด่าจบเ้าก็ชี้มือมือชี้หน้าพระเจ้าบอกว่าพระสมณโคดมแกแพ้ข่าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าต ถ, า, ถาคตแพ้เธอตรงไหนล่ะเขาก็บอกว่าแกค่าดา่าแกแกไม่ดา่าตอบแคบแกแพ้ข่า พรพทธเจ้าก็สงตัสว่าพรามณ์ดมรามณะดุกนพราหมณ์ตาทาคตมีความรู้สึกว่าบคุคคลใดโกรธตาทาคดมาถ้าตาทาคดโกรธตอบตาทาคตน่ะเร็วกว่าคนนั้นนะก็บังเอิญพราหม์ทั้งสี่คนเป็นบัณฑิตอยู่บ้างฟังถ้อยคําแบบนี้แล้วก็ตกใจคิดว่าเราเร็วมากเสียแล้วนั่งก็ย่องยกมือไหว้ขอเข้ามา ขอฟังเทศนล่นก็บวชในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติจนถือระบบตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาไม่ใช่วัน ท, ที่แรกมันก็อาจจะนิ่งเฉยเฉยอดใจที่หลังอดนานๆเข้าใจมันชินใจจะมีรมปกติเห็นหน้าคนมีความรักเห็นหน้าสัตว์มีความรัก รักมาแล้วเกิดความทุสารถ้าเขาได้ดีดีใจกับเขา <c oughs> ร่วมดีใจร่วมกับเขาแต่เขามีภัยหนักช่วยไม่ได้ก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมตัวมีหารสีน่นี้มีไว้สำหรับตัดปฏิฆะคือความไม่พอใจอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทำให้เราไม่พอใจแม้แต่เล็กน้อย ถ้าเราถูกด่าหนักเราก็ไม่โกรธถูกด่าเบานินทาเบาเราก็ไม่โกรธก็ทุกข์ก็ทั่งนิดหน่อยเราก็ไม่มีความรู้สึกย่างนี้เป่าย่าผานาคามีอันดับรแรกยังได้ครึ่งของผ้านาคามี้าหากว่าเราใช้พรหมิหารสีไม่เป็นที่ถูกใจกำลังใจไม่เข้มแข็งพอก็คุมพรหมีหารสี่ไว้ใช้กระสินเี็นกำลัง กสินที่จะใช้คือกสินสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองสามสีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทํำกสินให้เป็นชาญสีกสินทํำชายง่ายเป็นกรรมฐานหยาบไทยกสินให้เป็นชาญสีมีรมทรงตัวกําลังของชานสีของกสินจะเข้ามาคุมพมีหารสีได้ดีมาก และสามารถมีกําลังตักกิเลสคืนลบหรือ โ, โทสะความโกรธได้ดีโทสะไอปฏิฆาเนอารมณ์กระทบกระทั่งโทสะเป็นความโกรธนในเมื่อปฏิบัติในกรสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกระสินที่อย่างนี้ไม่ต้องใช้ทั้งสี่อย่างนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอยากจะทราบคอยฟังรายละเอียดในตอนที่พูดเรื่องกระสินข้นึ้นมา ในเรื่องการสรงฌานสีแล้วอารมณ์ปกติจะสามารถทรงพมิหารสีได้ดีแต่เวลานั้นร่วมกันก็ต้องคำมาหาส ก, กายะทิฏฐิความรู้สึกของร่างกายคือต้องเข้ามาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นนิจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัวในที่สุด ร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเีนั่งโกรธหาตะวักตะบุยอะไรให้อารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของอบัยภูมิเราทิ้งมาจากปโสดาบันแล้วอารมณ์นี้คืออารมณ์ต้องการอบัยภูมิเราทิ้งมาจากปโสดาบันถ้าเรามาโกรธตอนนี้เรากลับไปอบัยภูมิอีกความปโสดาบันก็สลายตัว อย่าลืมว่าจิตเข้ามาถึงจุดนี้แล้วความเป็นพระโสดาบันไม่สลายนะพระอาริยเจ้าเนี่ท่านได้แล้วก็ได้เลยไม่มีคำว่าเสื่อมไม่มีคำว่าถอยหลังมิแต่ดีขึ้นในเมื่อพร ม, มีฐานสี่มาตั้งก็ิ้นสีส่ทรงตัวมาจับส ก, กายทิตฐิหรือร่างกายมันต้องพังต้องสลายตัวอารมณ์โกรธก็ไม่มี มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าไอ้คนดา่ามันก็ตายคนถูกดา่าก็ตายวาจาดา่าก็สลายตัวไปเป็นน้ตตาพูดแล้วก็หายไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือไม่มีอะไรก่อตัวแค่นี้ก็พอหรือจะไม่จบตรงที่นี้ต่อไปก็เป็นการเข้ามาตัดการมฉันทะใช้สก ก, กาเยกตานุสติเอาสุปกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วในอนุสติกายะตานุสติกายมีอาการสารทีสองเอาธาตุสี่เข้ามารวมด้วยให้การทันทีสองม่จากธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่จะไม่ทิบายไม่ใช่ตารามันไม่มีความแน่นอนเต็มด้วยความสุขรกระโขกโศโครกนี่ความสุกระโขกมาจากไหน ร่างกายเราเลี้ยงด้วยอาหารอาหารที่กินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาหารมาจากพื้นฐานในความสกปรกปุ๋ยจะทาให้เป็นไม้เกิดพืชเกิดมันสกปรกปลาและสัตว์มีน้ําเลือดน้ำเหลืองน้นําหนองมีข่าวสกปรกทั้งหม ด, ดวเวลาที่เราจะกินอาหารก็พิจารณาอาหารว่าอาหารนี่เป็นพื้นฐานมาจากความสกปรกโสโครก เรากินเข้าไปร่างกายสร้างโดยอาหารก็สุรกระบอกในเมื่อร่างกายสุกระบอกอะไรบ้างไปที่รักดูร่างกายของเราแล้วดูร่างกายคนอื่นถ้าอย่างนี้เป็นเอกาตารมณ์ทั้งหมดถ้าต้องการฟังละเอียดไปโดนเอาไปฟานุสติเมื่อตัดได้สองอย่างคือคือว่าตัดความรักในร่างกายเส้นได้ร่างกายสุกระบอกก็เป็นนิพิทา ย, ยาน เกิดอรมเบืเ่อหน่ายในร่างกายทั้งหมดร่างกายเราเราก็เบื่อมานสกปรกร่างกายคนอื่นเราก็เบื่อมานสกปรกร่างกายสัตว์ล้วก็เบื่อมานสกปรกแต่ก็ไม่คิดทําลายเพราะมีเมต ต, มามตามีกุณณาเมตตาความรักมีอยู่กุณาความสงสารมีอยู่เบื่อจนถึงที่สุดคล้ายกับว่าร่างกายของเราร่างกายร่างกายอยื่นเหมือนก็สุนักเน่ามันเกาะ ร, ร่างกายเหม็น อารมณ์ที่เป็นกามาชันทะมีความรักในเพศก็ดีความโกรธก็ดีก็สลายตัวไปอย่างนี้เป็นพระนาคามีขอพูดจะย่อเพื่อเวลามันน้อยนี่ลายประมาณสิบนาทีนี่ขอพูดถึงพระอรหันต์ไมื่อตัดสังยอดได้ห้าข้อคือสกายะคือว่ากามาชันทะกับปฏิฆะได้แล้วนะต่อมาเป็นพระอราหันต์ว่ากันตามแบบ ก็มาตัดอีก5คือรูปราคะอารูปราคะมานะอุตจ า, าวิชารูปราคะความจริงตอนนี้ปัญญามีมากแล้วเป็นขอไม่หนักรูปราคะได้กับรูปฌานอารูปราคะคือรูปฌานคําว่าตัดนี่นก็หมายความไม่หลงไหลในรูปรูปฌานและรูปฌานโดยมากท่านที่ปฏิบัติกรรมาฐานบอกทำมาตั้งยีสิปีไม่มีอะไรเป็นผล ก็เพราะหลงในรูปประชานและอารูปประชานเข้าใจว่ารูปรรประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีเป็นของเลิศเกาะอยู่ตามนั้นก็ไม่ไปถึงไหนคำว่าชาญโลกีไม่มีการทรงตัวมันขึ้นกับร่างกายร่างกายดีชานก็หนักนั่นร่างกายไม่ดีชานก็ไม่หนักนั่นชายก็สลายตัวบ้างเสื่อมไปบ้างก็เกิดความกลุ่ม ก็รวความรูปประชาญและรูปปัจจันนสองรายการนี้เรามีไว้เราต้องมีไม่จะทิ้งแต่ก็ไม่หลงไม่คิดว่าเราเลิศแค่นี้แล้วคำรูปประชาญกับรูปประชารไม่ใช่ของเลิศเป็นกำลังช่วยวัญญาห้ามหันกิเลสตอนนี้ ในเมื่อเราวิจารณาแบบนี้แล้วก็คิดว่ารูปประชันกขดีรูปประชันเขดีเป็นของดีไม่ใช่ของเลวแต่เราจะติดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องก้าวต่อไปใช้กําลังรูปประชันและรูปประชันทั้งสองอย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ได้นะบางท่านจะไม่ได้รูปประชันอย่ากลุ้มไม่ตรงกลุ้มคือไม่จําเป็นต้องกลุ้มถ้ายังไม่ได้รูปประชันก็ใช้แค่รูปประชันก็พอ เราไม่ต้องการเป็นพระอระหันต์ขั้นสุดท้ายคือเป็นชมวิทายานอารหันต์สุขเวโกนี่เราสอนงันขั้นสุขเวสุขเวสโกนะวันนี้ก็ยังไม่สบายมากอยู่ไม่จะตายวันนี้ได้ยังไม่จะตายก็ตายไปถ้าขั้นสุขสุขเวสโกส ก็เอาแค่รูปประชานก็พอรูปประชานที่ผ่านมามันทรงตัวเราใช้ใช้กำลังรูปประชานหรือรูปประชานด้วยก็ได้เข้าไประงับตะกิเลตตัวต่อไปคือมานะการถือตัวถือตนการตะกิเลตนี่ใช้กำลังมโนยิธิช่วยตัดจะ ง, ง่ายมากจะพูดทีหลังจะพูดต่อไปนี้นะถ้าจะบอกจะเทปหน้าไม่จะเทปนี้ <c oughs> มานนักการถือตัวถือตนไม่ควรมีในเราถือไปก็ไร้ประโยชน์คนเกิดในฐานะชิ้นไรรูปร่างแบบไหนมันก็ตายด้วยกันหมดร่างเงาร่างกายก็สุกโผลกเหมือนกันหมดตามหลักคระ่านาคาหมีร่างกายก็สุดาาาามมสโทรแก่เท่าเหมือนกันหมดตามหลักข้อนิจังร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่ไม่มีในเราตามหลักของพระอรหันต ในเมื่อร่างกายมันต้องพังมาถือตัวถือตนรือถื อ, ถ อ, ถ อ, ถอร่างกายไม่มีประโยชน์วางทิ้งไปเลยกับคนกับหมูกับหมาแล้วคบคบได้หมดไม่รังเกียจกันคำว่าไม่รังเกียจก็ไม่รังเกียจในฐานะที่ร่างกายมีค่าสี่เหมือนกันถ้าต่อไปก็อุทจอารมณ์ฟุ้งซ่านตอนนี้เปร่าธรรมะ ท, ที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนพูดนะ เป็นหลักการคือวิชาการข้ออรัฐมักตอนนี้อารมณ์อารัฐมักยังมีลมพุ่งสั้นอยู่จะถามว่าพุ่งสั้นเหลวไหลนิวรณ์เนื อ, นอก็ต้องตอบว่าไม่เหลวไหลพวามพุ่งสั้นของท่านยังมี <c oughs> มีบ้างเล็กน้อย <c oughs> คือมีมีไม่เหมือนเราคือว่าไม่พุ่งสัน้นในดั่งอาคุศล บางทีเวลาภาวนาบ้างพิจารณาบ้างก็คิดอื่นเวยไปนิดไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับความโกรธบางครั้งมันเหนื่อยนั่งนั่ข้าบอกเออนอนแค่นี้ก็พอวะมันตายแค่ตอนนี้เราก็ปฏิพาน์ได้แล้วทํำไมเหนื่อยทําไมมันยังไม่ปฏิพาน์ไม่ได้ก็ไปอโยโู่น่นสัมอดีพรมไปอยู่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็ปฏิพาน์เองอาจจะฟุ้งไปนิด แต่ต่อมาถ้ากําลังดีขึ้นแต่บอกเอ้ไ oh ม่เอาแล้วว่าไปนี้พานในชาตินี้เลยดีกว่าอีกนิดเดียวก็ไปอัตผลแล้วแทบฟุ้งเล็กน้อยต่อมาก็ตัดตัวสุดท้ายคืออวิชาตอนนี้ตัดไม่ยากไม่ง่ายแล้วเพราะทุกอย่างมีความเข้าใจหมดแต่ว่าสุขภาตสโกนี่เขาลุกเสึยหนักหนักจยนิด ห, หนึ่งเพราะมองไม่เห็นของจริงยังไม่มีความเป็นทิพย์ไม่รู้จักเทวดาไม่รู้จักลม รู้จักตามโพูดตามบอกแต่ว่าไม่เคยไปไม่เคยเห็นขาดทิพย์จุฬาฯก็ต้องนั่งนึกใช้ปัญญาหนักหน่อยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาแล้วผมมันก็ไม่ดีนะมันมีทุกอย่างนี้เวลานี้เราเข้ามาถึงตอนนี้แล้วธรรมะมันก็มีทุกทุกประจําก็เคยหิวมันหิวทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมันทุก ร่างกายเปีปยกป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์ถ้าเราจะทิ้งมันไว้บังเอิญไปเผย อ, อีกชาติหนึ่งไปเกิดเข้ามันก็มันก็มีทุกข์อีกแต่เข้ามาถึงนี้เราไม่เกิดเราไปเป็นเทวดาแลือผมแต่ เ, เทวดาหรือผมก็ยังต้องต้องมีอารมณ์ต้องมีไงก็เทวดาแล้วผมไม่เกิดประโยชน์เราลัดไปตัดไปหามุิพันเลยคือตัดธวิชา เห็นว่ามนุษย์สัตว์โลกเทวโลกอมภูมิโลกไม่มีอะไรดีหมดดีน่ารักก็ไม่น่ารักชอบใจก็ไม่ชอบใจจิตใจมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ตอนถึงอรหันต์นี่ไม่ใช่นิพิทายานแล้วตัวนิพิทายานหายไปคือกําลังนิพิทายานก็อนาคามียนระ้ายังยอยากอยู่ยังถือว่าอยาก ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างเดียวคือสังขารุเปฆปายานสังขารุเปฆปายานอารมณ์มันเฉยทุกอย่างความรู้สึกต้องมีไม่ใช่ไม่คิดมี่คนมาถามว่าถ้าเราเลิกคิดกิเลสไม่ไม่ไมกลธใจใช่ไหมถามอย่างนี้ก็ไม่อยากตอบไม่ใช่เกลียดมันเกินวิสัยคนถ้ายังมีลมหายใจอยู่มันต้องคิด ถ้าถามว่าเฉยยังไงก็ตอบว่าอารมณ์มันเฉยคิดเหมือนกันคิดแบบคนเฉยนี่ก็หมายความว่าทุกอย่างเห็นคนก็เฉยความรักในเพศไม่เกิดขึ้นความเกลียดไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ธาสีเข้ามาประชุมกันแบบนี้มีอาการสันสองมีความสกปรกโซโครกแต่นิจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกวัตาสลายตัว เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็เฉยไม่ใช่ไปยังไงก็ช่างเพรมันร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายจิตใจเป็นหน้าที่ของจิตใจร่างกายจะแก่เป็นหน้าที่ของร่างกายใจไม่ต้องไปช่วยมันแก่ร่างกายจะป่วยก็ไปช่วยเป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใช่ใจอยู่ช่วยมันป่วยร่างกายจะตายเป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใจไม่ใช่หน้าที่ของใจใจไม่ต้องไปช่วยมันตาย รวมความถ้ามันไม่ตายอยากตายมันก็ไม่ตายเพราะความอารมณ์อยากผิดปกติไม่มีในพระอรหันต์เมื่อรมณ์เป็นสุขเพ้วยความเยือกเย็นเพราะสังขารรบกิขาญาณคําว่าดีพิเศษในโลกไม่มีสําหรับพระอรหันต์ทุกอย่างท่านถือไม่กดธรรมดาไปหมด เมื่อธรรมดาเป็นยังไงเมื่อจิตใจยอมรับตั้งถือธรรมดาจิตใจก็ไม่ไวุ่นวายร่างกายแก่เขาเรืงองเขมันร่างกายป่วยก็เรืองเขงมันร่างกายตายก็เรืองเขงมันตัวความว่าเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราคือจิตเลือเลือดทิศมานในกายกําลังใจพระหันโยโจยเดียวคือพระนิพพานและก็มีภมิหารสี่ครบทวน แต่ว่าจะเมตตาควรการเมตตากรุณาควรการกรุณาไม่ใช่เมตตาทรงเดชเชียงใดได้ผิดธรรมผิดวินัยอะไรก็เมตตาไม่ได้ต้องวางเฉยใช่สังขารเปรคา่าโนเวรคาประความว่าตอนนี้ก็ถึงเข้าเขียวอรหันต์ก็จบกันขวัรดาจานผูฟังทุกท่านจงปฏิบัติตามปัญญาใสาของท่าน เว่าการปฏิบัติจริงๆนะไม่ต้องไปเอาไกลเริ่มจับตั้งแต่ปโสดาบันมาเลยดีกว่าไม่ต้องอ้อมเข้ามาใกล้คำว่ า, าหาจุดแล้วก็ยังรู้จุดจบสําหรับท่านนะปฏิบัติที่กลุ่มคือไม่รู้จุดจบอรรนดาท่านพุทธบริษัทลิ้นมันก็ไม่ไม่ฟังบังคับมันไม่ได้บรรัวไปบ้างพูดเร็วไปบ้างเสียงเบาไปบ้างหนักไปบ้างเวลานี้ก็เหลืออีกยี่สิบห้าวินาทีคอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่นันสวัสดี